สิกขาบทที่8ภิกษุณีไม่ไปรับโอวาทหรือธรรมเป็นเหตุอยู่ร่วมกันต้องอาบัตหนึ่งอย่างคืออาบัตปาจิตตี